เรื่องที่24นานาจิตตังนี่เจ๊กอ้วชามใส่ไข่ใส่ขิงตุ๋ยสั่งเจ๊กขายโจ๊กอั้วชามใส่ขิงไม่ใส่ไข่ติ๋วสั่งของอัว้วใส่ไข่ไม่ใส่ขิงแต๋วสั่งของอ้วไม่ใส่ขิงไม่ใส่ไข่ต่อยสั่งถ้าสมมติว่าท่านเป็นเจ๊กขายโจ๊กคนนั้น ท่านจะรู้สึกอย่างไรแน่นอนมันน่าเวียนหัวออกคนสี่คนเท่านั้นจะกินให้เหมือนกันเสียก็ไม่ได้เพียงแต่จําว่าของใครใส่อะไรไม่ใส่อะไรก็แย่แล้วชีวิตของนักทำงานโดนอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละครับเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานบริการแก่คนหมู่มากเช่นแม่ครัวปรุงอาหารเลี้ยงคนทั้งครอบครัว ผู้จัดการรายการวิทยุผู้จัดการรายการโทรทัศน์ผู้ทําหนังสือผู้ปกครองคนอื่นผู้บําบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนรวมความว่าผู้ทํางานให้คนอื่นเขาสบายใจก็แล้วกันจะต้องได้รับอารมณ์ขุนมัวใจอยู่เสมอเพราะสิ่งที่บรรจงทําไปนั้นมันถูกใจบางคนแต่ไม่ถูกใจบางคน แล้วคนที่ไม่ถูกใจเขาก็บ่นเอาบ้างแสดงกิริยาไม่พอใจบ้างพลาดท่าถึงกับโดนบัตรสนเทศฟ้องร้องเอาจริงๆก็มีเรื่องของมนุษย์ขี้เหม็นมันไม่มีที่สุดตายแล้วยังไปเกิดเป็นผีผีตายยังไปเกิดเป็นเปรตเปรตตายยังไปเกิดเป็นอสุรกายคือเรื่องของคนยุ่งมันยุ่งไม่สิ้นสุด ฝ่ายบริการก็อุตส่าห์ตามไปเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างดูแต่หนังสือพิมพ์ทุกวันนี้สิต้องตีเส้นขั้นเป็นคอลัมน์สั้นๆก็มียาวๆแซงหน้าแซงหลังทําไมจึงไม่ตีพิมพ์ต่อกันเป็นเรื่องๆเหมือนหนังสือเล่มก็เพราะเรื่องจะเอาใจคนอ่านนั่นเองเผื่อไม่ชอบช่องนี้จะได้ไปอ่านช่องนั้นถึงอย่างนี้แล้วยังไม่พ้นถูกสวดว่าไม่ได้ความ อยู่เหมือนกันโถ ท, ทุนหัวเอย๋ยทำไมถึงเอาใจยากอย่างนั้นก็ไม่รู้ที่กลุ่มนั้นไม่ใช่กลุ่มแต่ฝ่ายบริหารฝ่ายผู้รับบริการก็กลุ่มเหมือนกันทำงานเหนื่อยเกือบตายควรจะได้กินของอร่อยๆแต่นี่ไม่เห็นได้ภาษีอ่างก็เสียให้แล้วเทศบาลยังไม่ดูแลให้ดีดูเป็นทีว่า ตัวอตาตมานี้ถูกเพิกเฉยไม่ได้รับการเอาใจเท่าที่ควรจะเป็นรวมความว่าต่างฝ่ายต่างแย่ไปด้วยกันแล้วก็บ่นอยู่ในใจว่าเขาไม่เห็นใจเรากลายเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจไม่เป็นอันทำงานแล้วจะทำอย่างไรวิธีที่จะช่วยตัวเองให้สงบใจได้บ้างก็คือเรารู้เรื่องของใจคนไว้เสีย ใจคนเรานี้สันดานเดิมมันเป็นมาอย่างนั้นไม่ว่าใจเขาใจเราคือชอบไปคนเดียวเวลาพระพุทธองค์ทรงอธิบายอาการของใจนั้นพระองค์ทรงใช้คำว่าเอกจรังซึ่งแปลว่าเที่ยวไปผู้เดียวหมายความว่าใจของคนในโลกนี้แม้จะมีกี่พันล้านใจก็ตามก็ต่างซอกแซกไปตามลําพัง แม้แต่ในใจดวงเดียวนั่นเองก็ไม่แน่ไม่นอนบางเวลาชอบเย็นบางเวลาชอบร้อนอย่างที่ผมเคยว่ามาแล้วนั่นแหละเวลาจะกินข้าวก็หานั่งตรงที่อากาศเย็นๆแต่ในขณนะเดียวกันกลับต้องการกินข้าวร้อนๆมันปนกันไปหมดอาการที่ใจคนชอบอะไรไม่เหมือนกันในชอบต่างกรรมต่างวาระอย่างนี้ เรามีคำพูดติดปากอยู่คำหนึ่งว่าหน้านาจิตตังนึกถึงเรื่องนี้ไว้เสมอครับแล้วจะสงบใจได้เมื่อเขาทำให้ถูกใจเราเราก็คิดว่าหน้านาจิตตังเมื่อเราทำไม่ถูกใจเขาเราก็คิดว่าหน้านาจิตตังจะทำยังไงได้มันเป็นกรรมของสัตว์ที่มีใจอย่างนั้นความจริงในบ้านเมืองของเรา ก็มีของวิเศษอย่างหนึ่งที่ไปเที่ยวตักเตือนสติให้เรารู้อยู่ทุกคนทุกแห่งสังเกตดูบนโต๊ะอาหารสิครับไม่ว่าที่บ้านหรือที่ร้านอาหารเราจะเห็นมีขวดน้ําปลาเล็กๆตั้งไว้สำหรับให้คนรับประทานอาหารหยอดเอาเองทำไมนะหรือก็แม่ครัวพ่อครัวอุตสาห์ทำกับข้าวจนตัวเป็นมันก็ทาได้ กายการหยอดน้ำปลาลงใส่แกงอีกหยดสองหยอดแค่นี้ทำไม่ได้หรือทำไมต้องมาเกี่ยงให้คนกินก็าทำเองได้ทำไมจะไม่ได้แต่เพราะทายใจคนกินไม่ถูกทุกคนเท่านั้นจึงต้องยกขวดน้ำปลามาตั้งให้เสียเลยหมดรำคาญกันเสียทีขวดชนิดนี้หากจะคิดอย่างผมผมเรียกมันว่าขวดนานาจิตตังครับ พอเห็นขวดน้ำปลา บ, บนโต๊ะทีไรก็นึกถึงสติทุกทีว่ามนุษย์เรานี้ล้วนแต่นานาจิตตังเอาใจยากทั้งสิน้นที่จะไปเกณฑ์ให้คนอื่นให้ทำอะไรถูกใจเราหมดก็เป็นไปไม่ได้และที่เราจะไปเที่ยวทำอะไรให้ถูกใจคนอื่นหมดก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันอย่าว่าแต่พวกเราซึ่งเป็นปุถุชนธรรมดาเลยที่จะเอาใจคนอื่นได้ถูกหมด ในสมัยพุทธกาลนั้นมีอุบาสกอยู่คนหนึ่งไปฟังเทศของพระสาวกองไหนก็ไม่ชอบใจไปฟังพระนอนุเทศก็ติว่าพูดมากไปฟังพระมหากะศพก็ว่าท่านพูดน้อยเลยไม่มีพระเทศถูกใจสักองค์ดูสิครับขณะพระอรหันต์มีตาทิพหูทิพท่านยังลำบากนะับระสาอะไรกับพวกเราทายใจตัวเองก็ยังไม่ถูกอยู่แล้ว จะให้ไปเที่ยวรู้ใจคนอื่นหมดได้อย่างไรเจ้าที่เราได้ผัวได้เมียได้นายได้ลูกน้องอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นบุญนักหนาแล้วตายจากชาตินี้แล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีใครเขาเอาใจเราอย่างทุกวันนี้และไม่แน่ว่าจะได้บริวารที่เอาใจง่ายอย่างบริวารของเราเดี๋ยวนี้ได้ทราบว่าที่เมืองนรกนั้น เขาไม่มีการเอาใจกันเลยเสียด้วยซํา